เรื่องเล่าผีหลอนตอนวิญญาณทหารขเขมรย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2553ผู้เขียนกับพี่สาวและคุณแม่ของเราได้ไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรามาที่นี่เมืองหลวงพนมเปนทันสมัยมีตึกรามบ้านช่อง มีร้านอาหารเยอะแยะผู้คนมากมายคนที่นี่ก็น่ารักนิสัยดีคล้ายกับเมืองไทยยังไงยังงั้นอาหารที่นี่ก็คล้ายคล้กับบ้านเราแต่ใครจะรู้ว่าเมืองหลวงที่นี่เคยเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนขเขมรด้วยกันเองมาแล้วซึ่งสะเทือนใจมากเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนและพี่สาว ได้มาเที่ยวกันที่นี่มาถึงพนมเปญก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเราก็เข้าพักโรงแรมในเมืองพนมเปญทันทีโรงแรมที่นี่สวยและทันสมัยดีเรานอนกันสามคนผู้เขียนกับคุณแม่ก็นอนหลับสบายแต่มีพี่สาวคนเดียวที่นอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลา พี่สาวของเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีสัมผัสพิเศษเป็นคนฝันแม่นมากๆจนน่ากลัวซึ่งมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพอตื่นเช้าพี่สาวเล่าว่าเมื่อคือนนอนไม่หลับเพราะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนคอยจ้องดูอยู่ตลอดแถวแถวบริเวณตรงตู้เสื้อผ้าแต่ผู้เขียนกับคุณแม่ ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าพี่สาวอาจจะแปลกที่ก็เลยคิดมากไปเองเรื่องนี้เราก็ลืมๆืมกันไปมาเที่ยวได้สี่วันก็ถึงวันกลับพอมาถึงไทยก็ราวๆ3วสามทุ่มพอถึงบ้านเราก็ต่างแยกย้ายบ้านใครบ้านมันเพราะเพลียกับการเดินทางแต่ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละคะ่ะ มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นช่วงราวๆตีสามกว่าๆพี่สาวเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชัวครูนี้เองพี่สาวเล่าว่าพอมาถึงบ้านก็หลับเลยเพราะเพลียกับการเดินทางจนมาถึงช่วงประมาณตีสองพี่สาวก็รู้สึกแสบตาเหมือนว่าไฟในห้องเปิดอยู่ แต่เนื่องด้วยเวลาที่คนเราง่วงมากๆตามันก็ไม่อยากจะลืมขึ้นมาดูอะไรท้งนั้นแต่ด้วยความที่ในใจตอนนั้นก็อยากรู้ว่ามีใครมาเปิดไฟกนเลยต้องต่อสู้กับความง่วงของตัวเองจึงพยายามฝืนลืมตาขึ้นมาดูเพื่อจะดูว่าไฟมันเปิดได้อย่างไรพอลืมตาขึ้นมาในห้องก็กลับมีแต่ความมืด มีเพียงแสงไฟจากข้างนอกบ้านเล็ดลอดเข้ามาพอให้มองเห็นภายในห้องซึ่งเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วแต่กรณีไฟในห้องนอนจะเป็นสีขาวสว่างจ้าเราจะรู้ได้ทันทีว่าไฟนั้นเปิดอยู่แม้จะหลับตาแต่ความสว่างจ้าของแสงไฟเราก็จะรู้สึกร้อนและแสบตาพี่สาวเราก็รู้สึกแปลกใจ และมั่นใจว่ามีบางอย่างต้องผิดปกติแน่ๆแต่ด้วยความง่วงก็เลยหลับต่อพอหลับไปได้ประมาณ1ิบนาทีก็ได้ยินคล้ายมีเสียงฝีเท้าของคนเดินมาจากทางประตูหน้าห้องแล้วเข้ามาภายในห้องเสียงเดินชัดเจนมากทีแรกคิดว่าอาจจะเป็นสามีคงกลับมาถึงบ้านเพราะปกติสามีพี่สาว จะกลับบ้านไม่เป็นเวลาอยู่แล้วพอได้ยินดังนั้นก็พยายามลืมตาแต่ก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่สาวเห็นผู้ชายลักษณะรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงทรงผมคล้ายทหารแต่หน้าก็เห็นไม่ค่อยชัดเมื่อยืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วอยู่ๆก็กระโดดขึ้นคร่อมพี่สาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากอยู่ๆ ทั้งแขนและขากลับไม่มีแรงแม้กระทั่งจะอ้าปากก็ยังทำไม่ได้เหมือนมีอำนาจบางอย่างสะกดให้นอนนิ่งๆระหว่างที่คล่อมอยู่นั้นวิญญาณตนนี้ก็ตบที่หัวของพี่สาวอย่างแรงตบไปตบมาเป็นสิบๆทีและตบแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนพี่สาวไม่ไหวแล้วเหมือนมันจะเอาให้ตายพอสักพัก แขนขาของพี่สาวก็กลับมามีแรงพี่สาวไม่รอช้าผลักวิญญาณตนนั้นแบบสุดแรงเกิดแต่ผลักไปมันก็มีแต่ความว่างเปล่าพี่สาวก็ทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งโมโหและสับสนว่ามันคืออะไรจะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะมันรู้สึกเจ็บที่ศีรษะจริงๆแต่ก็ยังไม่ลุกไปไหนพี่สาวก็ยังคงนอนอยู่บนที่นอน แล้วสักพักเธอก็เผลอหลับไปอีกเพียงเวลาไม่ถึงย0สิบนาทีวิญญาณตนนี้มันก็กลับมาอีกและดุร้ายยิ่งกว่าเดิมมันขึ้นมาคร่อมพี่สาวได้มันก็จับเวียงหัวอยู่นานมากและตัวพี่สาวลอยขึ้นอยู่เหนือเตียงพี่สาวก็รู้ตัวว่าเธอไม่ไหวแล้วมีความทรมานมากเหมือนคนกำลังใกล้ตาย และไม่รู้ว่าวิญญาณตนนี้ได้โกรธแค้นอะไรเธอนักหนาพี่สาวเพียงได้แต่คิดในใจเพราะเหมือนโดนสะกดให้ไม่มีเสียงแค่คิดเท่านั้นพี่สาวก็ได้ยินเสียงวิญญาณตนนี้พูดภาษาขเขมรแต่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็รู้ว่าเป็นภาษาที่คนขเขมรพูดกันวิญญาณตนนี้น่าจะพูดทางจิต เพราะปากไม่ได้ขยับแต่น้ำเสียงมันน่ากลัวเหมือนโกรธแค้นกันมาในใจพี่สาวตอนนั้นใกล้จะไม่ไหวแล้วก็นึกถึงพระพุทธรูปและพยายามท่องคาถาเท่าที่จะจำได้แต่วิญญาณตนนี้มันไม่รู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับเวียงหัวแรงขึ้นแรงขึ้นไปอีกและลอยตัวขึ้น และปล่อยให้ร่วงตกลงบนที่นอนมันทำอยู่อย่างนี้สลับกันไปมาอยู่ประมาณ20สินาทีเห็นจะได้ซึ่งถือว่านานมากๆจากที่พี่สาวกลัวมากก็กลับกลายเป็นโมโหก็เลยทั้งด่าทั้งแช่งไม่ให้ไปพูดไปเกิดเพียงแค่นึกในใจเท่านั้นวิญญาณก็อันตรทานหายไปซึ่งในเวลานั้นพี่สาว ก็หลุดจากวิ ญ, ญญาณมาได้จึงรีบเปิดไฟแล้วรวบรวมสตินั่งนึกว่ามันคืออะไรเธอรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บศีรษะไปหมดซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆและก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ชั้นล่างเธอบอกว่ามีวิญ ญ, ญาณเข้ามาทำร้ายแม่สามีเลยเอาพระมาคล้องคอสรุปคืนนั้นแทบจะไม่ได้นอน พี่สาวก็รีบโทรมาหาผู้เขียนเดียวนั้นเลยแล้วเล่าเรื่องสยดสยองน่ากลัวที่ได้เจอมาสดๆร้อนๆให้ฟังพอเช้าก็รีบใส่บาทททำบุญอุทิศไปให้กับวิญญาณขเมรหลังจากนั้นสองวันพี่สาวก็ฝันว่าเห็นตัวเองอยู่ในยุคขเมนแดงแต่งตัวเหมือนหมอและมีกระเป๋าใบใหญ่สะพายข้าง กำลังเดินไปพร้อมๆกับชาวขเขมรหลายร้อยคนและเห็นคนตายมากมายที่โดนระเบิดเห็นรถไฟเห็นทหารขเขมรแดงเห็นคนใกล้าตายกําลังขอความช่วยเหลือให้รักษาอยู่ๆมือของพี่สาวก็ไปโดนไฟลวกมือทั้งสองข้างพอตื่นเช้าก็นึกถึงความฝันของตัวเองและก็มานั่งดูมือของตัวเอง ว่าทำไมชาตินี้พี่สาวถึงมือเหี่ยวเหมือนคนอายุ80ซึ่งเธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแต่พี่สาวก็เป็นคนสวยมากตอนนี้อายุ40แต่มือก็ยังเหี่ยวมากอยู่ดีพี่สาวเกิดวันที่15้าเมษายน2518และช่วงยุค ข, ของขเขมรแดงก็เกิดสงครามช่วงต้นปี2518พอดีเลย ก็หน้าแปลกดีมันช่างบังเอิญเสลือเกินมีคนตายจำนวนมากเท่าที่ทราบน่าจะเกินสองล้านคนขึ้นไปเพียงคนไม่กี่คนที่มีความคิดสุดต่งฆ่าทำลายล้างพี่น้องชาวขาเขมรด้วยกันเองฆ่าพวกหมอนักวิชาการครูพระผู้ที่มีความรู้และรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเขาถือว่าคนพวกนี้ รู้มากเกินไปเอาไว้ไม่ได้เป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์สำหรับเขาเพราะฉะนั้นต้องกําจัดให้หมดคนกลุ่มนี้จะโดนคุมขังที่คุกก่อนโดนฆ่าจะใช้วิธีทรมานต่างๆนานาเป็นที่น่าสงสารมากโหดร้ายสุดจะพันนานาไม่คิดไม่ฝันว่าจะฆ่าคนบริสุทธิ์เป็นล้านๆได้มากขนาดนี้ผู้เขียนเชื่อว่า คนเราตายไปแล้วก็ต้องเกิดมาชดใช้กรรมกันอีกไม่รู้จักจบสิน้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เชื่อเรื่องของชาติภพที่แล้วและชาติหน้ามีจริงๆดังนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรรีบสร้างบุญสร้างกุศลและทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่เบียดเบียนกันอย่ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เลย เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่รีบสร้างคุณงามความดีกันเถอะก่อนที่พรุ่งนี้จะไม่มีให้เราสร้างสำหรับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืม